ตรงนี้ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างแค่5เนี่ยนะนะอีก2ข้อชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะถามว่าไอนะ้หกเนี่ยชื่อว่ากล่าวด้วยไหมกล่าวเดี๋ยวข้อข้างหน้าจะมีอีกนะสมัยที่อโปธาที่เป็นภายนอกกําเริบย่อมมีได้แลเนี่ยนะก็การแสดงธรรมเนี่ยนะเขาบอกว่าอุปมาหรือแสดงเนี่ยมันต้องยกตัวอย่างที่มันชัดที่สุดมางั้นอนะอาโปธาภายนอกมันกาเริบเป็นยังไง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 ขนาดน้ำตัวน้ำทะเลเองก็ช่างเถอะสมัยที่น้ําสมุทรน้ําทะเลเนี่ยลึกลงไป100ร้อยโยด200้อโยชน์0าร้อโยด400ี่ร้โยชน์0้ร้อโยชน์หร้อยโยชเจดร้อโยดน้ําทะเลลึกย่อมมีได้แล้วสมัยที่น้ําทะเลลึกนั้นเนี่ยนะขังอยู่เจ็ดชั่วลําตาลหกห้าสี่สมสองหนึ่งชั่วลําตาลก็ย่อมมีทะเลยังแห้งอย่าง น, น, นั้นน่ะทะเลมันแห้งได้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 เนี่ยนะมันไม่มีชื้นะ แ, แล้วทีนี้น้ํามันค่อยๆแห้งทะเลค่อยๆแห้งแห้งงวดงวดงวดงวดงวดลงไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขะนะยิ่งอาจความร้อนมีเท่าไหร่เนี่ยนะเคยมาแค่เราอบอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมอบแนหน ing, ักๆนักเข้าที่สุดในที่สุดสิ่งนั้นก็กรอบมันก็เริ่มกรอบจนเหลือเป็นผุยผงเมื่อมันหมดความเป็นผงแล้วมันจะเริ่มไหมฉันใดโลกทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาห้าดวงหกดวงดวงดวงที่เจ็ดเนี่ยใครว่ากรอบหมดเลย กรอกก็เลยเหือดแห้งก็เรียกว่าขนาดน้ำทะเลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ยังเหือดแห้งน้ำค่อยๆลดจนเหือดแห้งเนี่ยนะแล้วร่างกายของเราเนี่เหมือนกันใช่าะมพอไปอบธาตุลองอบความร้อนดูสิอบๆบอ บ, อ บ, อบไปเอาดึงเอาธาตุน้ำออกจากกายทั้งหมดเลยเนี่ยร่างกายจะเหลือเท่าไหร่ในร่างกายของเราเนี่ยธาตุน้ำทั้งหมดมีเท่าไหร่ประมาณ 75% เรนี่ยรวมร่วม็้นก็คือหนึ่งใน สามในสของร่างกายถ้าว่าดึงเอาธาตุน้ําดึงดึงดึงดึงดึงออกน้ําออกหมดจะเหลือเท่าไหรเหลือนิดเดียวเนี่ยนะเมื่อเหลือนิดเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงกระนั้นน้าภายนอกน้ําในโลกมันยังแห้งทะเลยังเหือดแล้วน้ําตาน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําน้องน้ํามันเลวน้ําไข่ข้อน้ําปัสสาวะทั้งหลายเป็นต้นมันจะไปจีรังยั่งยืนมั่นคงทาวนอะไรได้ขนาดไหนเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นใจก็ยังบอกว่ามันแน่มันแน่ใช่ไหม มันก็แหมมันโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงเลยมันยืดยืดมันเหมือนกับว่ามันมันแน่มันนอนมันท้าวอนมันมั่นคงแก่งการเลือกเกินเนี่ยนะทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะแม้ก็บอกว่าจะลุกจะเดินจะเหินก็คล่องแคล่วพอหมดน้ำไขข้อเข้าไปนี่คลกคลักเลยนะคลักคลกแล้วนะก็แปลว่าพอน้ําน้ําตามร่างกายในหมดก็หมุนตัวทีดังกรบเงี้ยนะก็แสดงว่าอะไรมันเป็นอะไรเกิดขึ้นนะ กรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยนะบางคนเนี่ยเดินเนี่ยอย่ง ก, กับเขย่าอะไรสักอย่างหนึง่งก้องแกล้งเหมือนเกวียนเก่าๆเนี่ยนะก็แล้ว่าหมุนไปก็คล่งแครง้งครง่ครงแคล้คงคลองแคล้งเนี่ยนะฉันนั้นนั่นแหละเคยได้ยินรถที่มันมันน้ำมั น, ม น, มนแบบจารบีมันน้อยน้ํามันล่อเลื่นมันน้อยไหมร่างกายทั้งหลายก็ลักษณะนั้นแหละถ้าน้ำน้ำําถ้าน้ําเลือดมันลดลงไปอะ่ะศูญเสียเลือดในกายจะเป็นยังไงศูญย์เสียน้ําในร่างกายมากๆจะเป็นยังไงศูญย์เสียเสมหะเนี่ยศูนย์เสียเสมหะก็คืออะไรก็ศูญย์เสียน้ําในร่างกาย น้ำในร่างกายนั่นแหละคือพวกกล่มเสมหะน้ำคัดหลังที่อยู่ในกายถ้าน้ำเสมหะคือน้ำคัดหลังที่อยู่ในกายเหือดแห้งไปสักสามลิตรน่ะก็เดือดร้อนใช่ถ้าน้ำเลือดเหือดแห้งไปน้ำน้ำตาเหือดแห้งไปถ้าน้ำดีในร่างกายไม่มีเลยอ่ะถ้าไม่มีน้ำดีนะไม่มีน้ำดีไม่มีอะไรน้ำมันข้นเนี่ยหมดเลยไม่มีน้ำมันข้นไม่มีน้ำมันเหลวเลยจะเป็นยังไง อันนะไม่มีน้ําเลือดไม่มีน้าเงือเลยเนี่ยนะไม่มีเงือเลยเนี่ยนะก็เกิดใหม่อย่างเดียวนะแต่ก็สรุปว่าสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้ขนาดภายนอกอยังไม่จีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรแน่นอนอะไรเลยอ น, นะบางที่เนี่ยประเทศที่น้าเคยท่วมเนี่ยใช่อย่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์น้าท่วมปีก่อนเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะแรงแรงงนี้หาน้ำดื่มได้ง่ายหรือเปล่าอา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 ความสิ้นไปก็มีให้เห็นความเสื่อมไปก็มีให้เห็นความแปรปรวนไปก็มีให้เห็นขนาดมันยิ่งใหญ่อย่างนั้นน่นยังเหือดยังแห้งไปนี่เขาบอกว่าดาวอังคารเมื่อก่อนมันเคยมีอะไรไหมมันเคยมีน้ําใช้ดาวอังคารเมื่อก่อนแล้วตอนนี้หาน้ํำดื่มได้ไหมยากฉันใดเนี่ยนะโลกของเราทั้งหลายก็ฉันนั้นเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรป ร, ปรวนไปเป็นธรรมดาขนาดสิ่งเหล่านั้นมันยัง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 สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั่นแหละเป็นอนัตตาเมืม่อ ม, มรริการเห็นสภาพที่ไม่เที่ยงมากๆขึ้นไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกขเนี่ยนะตอนแรกก็จะเจริญอนิจจสัญญาสองอนิจเจทุกขสรรัญญาพิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกทุกเข tiếp, อนัตตาสัญญาก็เห็นสิ่งที่เป็นอนัเห็นสิ่งที่เป็นทุกนั่นแหละว่าเป็นอนัตตา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 หากว่าชนเหล่าอื่นพยายามทำร้ายภิกษุนั้นเนี่ยนะคือตอนแรกเนี่ยนะขาเราว่าถูกด่าแล้วก็เจริญวิปัสสนาจนหายกโกรธหายเสียใจหายไม่สบายใจเนี่ยนะจนอนุ ป, ปัสสนาก็ยังเล่นไปอยู่ดีทีนี้เกิดภิกษุเื่เอเกิดคนอื่นมาทำร้ายประทุสร้ายทางร่างกายล่ะ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 บางทีมันปวดนิดเดียวนะเขาบอกโอ้ยป่วยแน่แย่แน่คราวนี้แย่ใ น, น, นที่สุดนอนเลยแผลเลยนะตอนหลังโ๊้เห็นเป็นรายเลยนะมันปวดมากจริงๆนะแต่มันก็เห็นเป็นรายเอ้ยมันก็เห็นปวดเท่าไหร่นี่เอ้มนทนได้นี่เมื่อก่อนโอ้ปวดหน่อยหนึ่งได้เหตุอันสมควรเนี่ยนะหาหลับฮานอนฮานีงานหรืออะไรก็ได้จะได้อ้างโอ้ใหญ่จริงๆมันปวดมากจริงปวดนิดเดียวเนี่ยนะ